พุทธตำนานพระเจ้าเรียบโลกกานที่สองนมโมตัดสัตตุเอวัมเมสุตังเอกังสมยังสัทธาธรมาโนชนะปัทะจาริกังจรรมาโนดูราสับบุรุษทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูแก่คนและเทวดาทั้งหลายเมื่อยังทรงพระชนอยู่ทรงยังพุทธกิจให้บริบูรณ์ยังมีกาลสมัยครั้งหนึ่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาที่คุณเป็นอันมากสเสด็จไปพร้อมกับพาระอรหันต์ทั้งหลายและพระมหาอานนท์พร้อมกับพระอินทร์และพระยาอาโศกองค์เป็นใหญ่ในเมืองกุศินาราก็สเสด็จร่วมไปเป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์สเสด็จจาริกสั่งสอนเวนายว์ทั้งหลายตามลำดับนิคมราชธานีจนสเสด็จไปบรรลุเมืองละแวก อันควรเป็นศาสนาสักขีคือควรเป็นที่ตั้งแห่งพระเจดีธาตุห้าหลังเพื่อเป็นเครื่องกำหนดอายุแห่งพระพุทธศาสนาเมื่อพระองค์ไปถึงแล้วก็ประทับสถิตสาราญอยู่ณที่นั้นเวลานั้นยังมีพญานาคตนหนึ่งก็เข้ามาอุปถากพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นวิเศษคุณแห่งสถานที่นั้นมีพระประสงค์คร่จะแสดงให้ปรากฏต่อไป จึงทรงยั้พระสวนอยู่พระมหาอานนทเถระเห็นเช่นนั้นจึงอภิวาทูลถามว่าข้าแดดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระอาการยั้พระสวนด้วยเหตุประการใดหนอขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดแสดงแก่หม่อมชันเถิดพระเจ้าข้าเมื่อนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นอันมาก เมื่อจอกแสดงอย่างความอันวิเศษแห่งสถานที่นั้นจึงตรัสว่าดูราอาโนนสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่กำหนดหมายอายุแห่งพระพุทธศาสนาเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตจนกระทั่งสิน 5, ้นห้าพันวัฏสาแลเมื่อพระเถระทราบเหตุการณ์เช่นนั้นแล้วจึงกราบทูลขอพระาธาตุซึ่งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงรูปพระเสียรได้พระเกศ า, าธาตุมาห้าเส้น ก็ส่งมอบให้แก่พระมหาอาโนนทเทระเจ้าพระเทระก็รับเอาด้วยอาการอันควรคาระวะยิ่งแล้วก็มอบให้แก่พญานาคตนที่มาอุปถากพระพุทธเจ้าและมีหน้าที่รักษาแม่น้ำนั้นพญานาคก็รับเอาด้วยภาษาทะศรัทธาคาระวะยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสพยากรว่าดูราอานน์ เมื่อตถาคตปณิธ า, านไปแล้วได้สองรอสิบแปดพันสาจะมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าอาโศกราชเสวยราชในเมืองปาตลีบุตรเป็นผู้มีเดชานุภาพแผ่ไปในชมพูทวีปทั้งมวลจะแบ่งแจกพระธาตุแห่งพระตถาคตมาประดิษฐานก่อเป็นมหาเจดีย์ห้าหลังให้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุห้าองค์ ไว้เป็นที่สการะบูชาแห่งคนและเทวดาทั้งหลายตลอดถึงพระอินทร์พระพรมครุฑนาคยักษ์คนทันและไอสวนทั้งหลายจากเป็นที่กำหนดหมายยังอายุแห่งพระพุทธศาสนาห้าพันวัฏสงเจดีธาตุทั้งห้าหลังนี้แบ่งไว้ดังนี้เจดีหลังที่หนึ่งเป็นบุพภณิมิตแห่งพระพุทธศาสนาพันปีที่หนึ่ง หลังที่สองเป็นอายุแห่งพระพุทธศาสนาพันปีที่สองหลังที่สามเป็นพันวัฏสาที่สาหลังที่สี่เป็นพันวัฏสาที่สหลังที่ห้าเป็นอายุแห่งพระพุทธศาสนาพันที่ห้าคือว่าเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วได้พันพัรษาบริบูรณ์เจดีหลังที่หนึ่งก็จะจมลงไปในวางน้ำอันเป็นที่อยู่แห่งพญานาค ในเมื่ออายุพระพุทธศาสนาล่วงไปได้สองพันพรรษาบริบูรณ์เจดีหลังที่สองก็จักจมลงไปในแม่น้ําในเมื่ออายุพระพุทธศาสนาล่วงไปได้สามพันปีบริบูรณ์เจดีหลังที่สามก็จะจมลงในเมื่ออายุพระพุทธศาสนาล่วงไปได้สี่พันปีบริบูรณ์เจดีหลังที่สี่ก็จะจมลงในเมื่ออายุพระพุทธศาสนาล่วงไปได้ห้าพันปีบริบูรณ์ จะดีหลังที่ห้าก็จะจมลงไปคนและเทวดาทั้งหลายก็จักรู้แจ้งว่าอายุพระพุทธศาสน า, าล่วงไปได้เท่านี้ปีและคงเหลืออยู่เท่านี้ปีและที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นพันวัฏสาที่เท่านี้เพราะอาศัยธาตุเจดีทั้งห้าหลังนี้เป็นเครื่องกำหนดหมายเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์เช่นนี้แล้วพญานาคจึงบรรจุพระเกศาธาตุ ไว้ในสถานที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นที่สำราญนั้นจากนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สเสด็จต่อไปเพื่อสั่งสอนเวนยัยสั์ตามลำดับจนกระทั่งสเสด็จเข้าสู่ปรินิพานหลังจากพระชินมานสเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วเป็นเวลานา น, านถึง218ปีจึงมีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าธรรมมาโสกมหาราช ได้ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและพระชินทาติให้รุ่งเรืองปรากฏเป็นที่รุ่งเรืองไปทั้งชมพูทวีปและทรงทราบชัดว่าสถานที่อันมีอยู่ในเมืองระแวกนั้นเป็นอุดมสถานจะปรากฏเป็นที่รุ่งเรืองต่อไปถึงห้าพันพระพันษาเช่นนั้นพระองค์จึงทรงมีพระราชอาทยามอบรราชวัตถุทั้งหลายคือเงินทองแก้วแหวน วัฏถาพรและเครื่องอลังการต่างๆแก่มหาเสนาอมาตย์พร้อมด้วยบริวารมาประชุมปรึกษาสร้างก่อเจอดีย์ห้าหลังเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุไว้แทนที่ที่พระพุทธองค์ประทับนั่งเพื่อเป็นที่กำหนดอายุพระพุทธศาสนาให้รู้ว่าเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตจนกระทั่งครบห้าพันพรรษาพราเจดีย์นี้ ประดิษฐานอยู่ที่เมืองราแวกที่พระเจ้าอโศกธรรมราษทรงให้ปฏิสังขารมั่นคงดีขึ้นเพื่อให้เป็นที่เฝ้ารักษาพระเกศ า, าธาตุทั้งห้าองค์นั้นมิให้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้พระมหาใจดีทธาตุทั้งห้าองค์นี้จึงหมมด้วยแผ่นจังโกทองคำตั้งแต่ช่อฟ้าลงมาจรวดพื้นดินเหมือนกันทุกองแต่ละองค์สูงหกสิบวา วัดรอบฐานธรณีทั้งสี่ด้านได้ร้อยี่สิบเอ็ดวาแต่ละด้านกว้างสามสิบวาหนึ่งอกฐานธรณีก่อตั้งฉากลดหลั่นสูงขึ้นไปเจ็ดชั้นกว้างชั้นละสามอกนับแต่ขอบขึ้นไปถึงหน้าชานสูงสามวาปั้นรูปเทวดาไว้ที่สี่มุมท่าเจดีทั้งห้าองค์เทวดาสององค์ถือหอยสังเป่าฟ้อนรำอยู่ เทวดาอีกสององค์ประนมมือน้อมว่าอยู่ใกล้พระเจดีหนึ่งวาหนึ่งศอกทุกๆุงองพระเจดีทั้งห้าองค์นั้นตั้งอยู่ห่างกันองค์ละสิบวาเท่าเากันมีประตูคล้องสี่ประตูสูงแปดวาทุกทุกองพระเจดีประตูเหล่านี้ตั้งอยู่ในระยะพอดีกับองค์พระเจดีและในพระเจดีทุกองค์นั้นมีรูปนกยูงคำล้อมรอบอยู่ แต่ละด้านมีพระพุทธรูปสิบหกองมีซุ้มสี่ซุ้มทั้งสี่ด้านของพระเจดีย์ทุกองค์แต่ละซุ้มมีพระพุทธรูปประทับอยู่ภายในวิจิตรด้วยรัตน์ฮิรัญยะและสุวรรณะเป็นอันมากประดับด้วยเครื่องอลังการชั้นสูงเปล่งออกซึ่งรัศมีอันรุ่งเรืองเปรียบเหมือนเทพวิมานฉันนั้นทรามหาเจดีย์ทั้งห้าองค์นั้น พระเจ้าอโศกธรรมราชฎทรงบริจาคพระราชทรัพย์ให้แก่คนทั้งหลายที่ทําการก่อสร้างจนไม่อาจจะคนาดนาได้เฉพาะถอดพระราชทานรางวัลแก่คนที่มาช่วยสร้างหมวดทองคําไปถึงแสนกหาพณะกำเงินอีกหมื่นกระสอบพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องนุ่งห่มข้าวน้ําปัจจัยทั้งหลายจนไม่อาจจะคนาดนานับได้ แล้วพระองค์ทรงให้สร้างปราการกำแพงเมืองอันมั่นคงยิ่งนักยาววัดได้สา2พันสี่รอยี่สิบวากว้างสองพันสี่สิบวาก่อด้วยหินทั้งสิน้นกำแพงหนาประมาณเจ็ดวาสูงเจ็ดวาขุดรากลึกลงไปในดินเก้าวาแล้วขุดคูล้อมรอบสามชั้นคูแต่และชั้นลึกยี่สิบวากว้างสี่สิบวาคูชั้นที่หนึ่งเป็นคูแห้ง ไม่มีน้ำไม่มีตมเป็นครูชั้นในครูชั้นที่สองเป็นครูที่เต็มไปด้วยโคลนตมเหลวส่วนครูชั้นที่สามเป็นคูชั้นนอกนั้นเต็มไปด้วยน้ำในครูน้ำมีจระเข้มังกรดุรายยิงเฝ้าหวงแหนรักษาพระเกศ า, าธาตุเจ้าทั้งห้าองค์เพื่อม่ให้เกิดอันตรายใดๆแก่พระาธาตุเจดีย์นั้นตราบห้าพันพระพรรษา น, นั่นแล พระยาอาโศกธรรมราชเสวยความสุขอยู่ตลอดพระชนมายุเมื่อสวรรคตแล้วจนเวลาล่วงไปได้พันปีบริบูรณ์พระมหาเจดีย์องค์แรกก็สุดจมลงไปในห้วงน้ำลึกจนไม่อาจประมาณได้ต่อแต่นั้นมาพระพุทธศาสนาล่วงพ้นไปได้สองพันพระพรรษา มหาเจดีย์เมืองระแวกองที่สองก็ซุดจมลงไปตั้งแต่ฐานธรณีตามลำดับปีเดือนวันจนกระทั่งพระพุทธศาสนาล่วงปีสองพันปีบริบูรณ์จึงจมหายลงไปในห้วงน้ำลึกไม่อาจขนาด น, นับได้ตั้งแต่นั้นมาอายุพระพุทธศาสนาเข้าสู่พันที่สามจนกระทั่งมาถึงปีกัดไส้จุรศัรากรสาม931เอด อายุพระพุทธศาสนาล่วงไปได้ 2,112 รพรรษามีกษัตริย์องค์หนึ่งพระ น, นามว่าฟ้ามหาธาสเสวยราชในเมืองหงสาวดีนครได้ยกเจตุรงคเสนาโยธาไปรบเอาเมืองใต้โยธยาและเมืองลานช้างในกองทัพนั้นมีบัณฑิตผู้หนึ่งเป็นลูกของแสนเชียงแรงเป็นผู้ฉลาดมีปัญญารู้พินิษพิเคราะห์ยิ่ง เมื่อกองทัพมาถึงเมืองระแวกได้หยุดพักเพื่อพน้นฤดูฝนที่เมืองระแวกนั้นบัณฑิตผู้นั้นได้เที่ยวตรวจตราดูบริเวณบ้านเมืองและได้สการะบูชาพระมหาเกศ า, าธาตุอันประเสรศิฐได้อ่านดูจารึกศาสตร์หรือศิลาจารึกที่พรยาอาโศกธรรมราชและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายได้สลักไว้ที่แผ่นหินรู้สึกอัศจรรย์ยิ่ง ก็พิจารณากำหนดตามศิลาจารึกก็รู้ที่ประดิษฐานแห่งพระมหาเจดีย์ธาตุทั้งมวลคือรู้ว่าพระมหาเจดีย์ทั้งห้าองค์นั้นซุปจ o ลงไปในน้ำลึกไปแล้วสององค์พุทธศาสนาล่วงไปแล้วสองพันพรรษาและในปีกัดไสจุลศกราชเก้าร้สาอดปีที่บัณฑิตลูกแสนเชียงแรงมาพักอยู่ในเมืองเราแวกนั้น เขาก็ได้เห็นพระมหาเจดีย์เกสาธาต์หลังที่สามอันเป็นเครื่องกําหนดหมายอายุพระพุทธศาสนาพันที่สามก็ได้ซุดจมลงไปในน้ําคือฐานธรณีจมลงไปได้ชั้นหนึ่งในปีนั้นพระภิกษุหนึ่งพันรูปสามเณรสี่ร้อย400รูปได้อยู่อุปถากบํารุงพระมหาเจดีย์เกสาธาต์พร้อมด้วยตระกูลอุปถากพระมหาเจดีย์นับเฉพาะผู้ชายมีห้าพันคน ส่วนผู้หญิงคนแก่และเด็กไม่นับนักปราดบัณฑิตทั้งหลายหากมีความประสงค์คร่รู้ว่าพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้วได้กี่ปีก็ให้เอาจุลศักรารสาอปีกัดไส้นั้นตั้งก็จะรู้ว่าพระพุทธศาสนาล่วงไปได้แล้วเท่านั้นปีส่วนที่เหลือนั้นเป็นอายุของพระพุทธศาสนาที่ยังคงเหลืออยู่ กล่าวถึงพระมหาเจดีย์เกษาธาตุห้าองค์ที่ประดิษฐ า, านอยู่กลางเมืองราแวกอันมีในเขตด้าวเมืองอโยธยาทวารตินครก็จบเป็นการที่หนึ่งดูราสับบุรุษทั้งหลายบัดนี้จะพูดถึงประวัติพระเกษาธาตุที่ประดิษฐ า, านอยู่บนภูเขาลิงขุดตระอันควรเลือมสายภาษาทะยิ่งมีอยู่ในเมืองหงสาวดี หรืออีกในหนึ่งว่าพระธาตุดอยตะโค้งดังต่อไปนี้ผู้มีปัญญาพึงรู้ดังนี้เถิดวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือวันเพ็ญวิสาข ม, มาศทรงพระจลชนะมารทั้งห้าแล้วประทับนั่งเหนือรัตนบัลลังก์ที่โควนไม้สีมหาโพธิทรงให้เวลาล่วงไปสิ้นเจ็ดวันขณะนั้น ความสงสัยคลางแคลงใจก็บังเกิดมีแก่เทวดาพระอินทร์และพระพรหมทั้งหลายว่าเจ้าชายสิทธัตถานี้ชฉลอยจะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นแม่นมันพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งในวาราจิตแห่งเทพพยาดาทั้งหลายจึงทรงกระทาปาฏิหาริ์เหาะขึ้นไปสู่อากาศทรงนิรมิตรพระพุทธเจ้าสององค์สามองค์ห้าองค์สิบองค์ยี่สิบองค์ จนถึงหนึ่งพันองค์เพื่อทำลายความคลางแคลงสงสัยแห่งเทพ ย, ยดาทั้งหลายแล้วจึงเสด็จลงมาจากอากาศประทับนั่งอยู่ในเวลานั้นเทพพ ย, ยดาพระอินพระพรมทั้งหลายก็หมดสิ้นความสงสัยต่างก็รู้แจ้งชัดเจนว่าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพันธ์อยู่สัมมาสัมพุทธเจ้าจริงก็พากันเข้ามาอภิวาทกราบไหว้ เ้าอุปถากพระพุทธองค์อยู่ก็มีแลลลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จย้ายจากคนไม้มหาโพธิ์ไปประทับยืนอยู่ที่ดีสารแห่งไม้มหาโพธิ์ไกลประมาณอัพันดอนหนึ่งหรือยี่สิบอกแล้วทรงเพ่งดูไม้มหาโพธิ์โดยไม่ทรงกระพิบพระเนตรเลยเป็นเวลาเจ็ดวันเทพยาดาพระอินทร์พระพรหมทั้งหลาย ก็กรอบพระเจดีย์ไว้ในที่ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่เลยได้ชื่อว่าอนิมิสเจดีลําดับต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จจากที่นั้นไปที่รัตนจงกรมทางทิศตะวันตกแห่งไม้สีมหาโพธิ์ไกลประมาณอัพพันดอนหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จจงกรมไปมาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกระหว่างไม้มหาโพธิ์กับอนิมิสเจดี ทรงให้เวลาหมดไปเจ็ดวันแล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับอยู่เรือนแก้วอันเทพพ ย, ยดาเนรมิดไว้ตั้งอยู่ในทิศพายับแห่งไม้มหาโพลประมาณอัปพันดอนหนึ่งประทับอยู่ในเรือนแก้วนานเจ็ดวันทรงรำพึงถึงพระวิธรรมคามีระแล้วพระองค์ก็เสด็จไปสู่โคนไม้อัชปาลนิโครธอันอยู่ทางทิศตะวันตกไม้สีมหาโพ ห่างประมาณอับพันดรนหนึ่งประทับอยู่นานเจ็ดวันแล้วก็เสด็จพากจากไม้อชปาลนิโครธไปสู่โคนไม้มุจจรินคือไม้กระทุ่มหรือไม้จิกอยู่ใกล้สระน้ำาลึกประมาณสิบสองศอกทิศอาคเนแห่งไม้สีมหาโพไกลประมาณอับพันดรนหนึ่งประทับอยู่ที่นี้นานเจ็ดวันแล้วพระองค์ก็เสด็จไปสู่ไม้ราชายัตนะ อันตั้งอยู่ที่ใต้ไม้สีมหาโพไกลประมาณอับพันดอนหนึ่งทรงประทับอยู่ที่นี้เจ็ดวันด้วยเหตุนี้พระโปรานาจารย์เจ้าจึงผูกเป็นคาถาไว้ในสัตตะมหาสถานว่าโพธิมหิปปะโปตติโพธิยัสสะปุเรเป็นต้นดังนี้เป็นคาถาไหวสัตตะมหาสถานทั้งเจ็ดแต่ละบทแต่ละคาถา ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่สัตตาหะเจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันรวมสี่สิบเก้าวันในระหว่างสี่สิบเก้าวันนี้พระพุทธองค์ไม่เสวยพระกยาหารเลยในเวลานั้นพระอินทร์ส ก, กเทวราชนำอามากสมอทิพย์มาถวายแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเสวยหมากสมอทิพย์นั้น พระอินเอาไม้นอดน้ําคือไม้ชนิดหนึ่งชอบขึ้นชายฝั่งหรือใกล้สระน้ํามาทําเป็นไม้สีฝันนุ่มนวลยิ่งนักประดุดดังสมรีถวายแด่พระองค์เพื่อทรงใช้แปลงพระทนและไปตักน้ําจากสระชื่ออโนมัตรสระมาถวายเพื่อพระพุทธองค์จะทรงใช้เบื่อพระโอษฐและทรงใช้ชําระพระพักดิ์ในระหว่างที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่โคนไม้ม่วงราชายาตนนินาน มีพ่อค้าสองคนพี่น้องคนพี่ชื่อตะปุตสะคนน้องชื่อพาริกะทั้งสองคนเป็นพ่อค้าเกวียนห้าร้อยเล่มพร้อมกับบริวารเดินทางมาจากอุปราชนครจะพากันไปสู่เมืองเชตตะตะนครเพราะเขาทราบข่าวว่าข้าวในเมืองบัณฑวนครมีราคาแพงมากข้าวสัตว์หนึ่งมีค่าเท่ากับทองคำสัตว์หนึ่งเหมือนกัน พ่อค้าห้าร้อยคนจึงชวนกันเอาค่าวบรรทุกเกียนห้าร้อยเล่มเดินทางจากเมืองอุปรานครมุ่งจะไปสู่เมืองเชตตะธระนครตามลำดับจนบรรลุ ถ, ถึงขนทางแห่งหนึ่งที่ข้างทางนั้นมีเทวดาองค์หนึ่งอยู่รักษาไม้นิโครดในชาติปางก่อนเทวดาองค์นี้เคยเป็นญาติกับพ่อค้าทั้งสองเมื่อเห็นพ่อค้าทั้งสองมาทางนี้ เทวดามีความประสงค์มักใคร่จะทำบุญเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พ่อค้าสองพี่น้องเลยบันดาลให้เกวียนที่บรรทุกข้าวมาให้หยุดอยู่ไม่อาจเคลื่อนไหวต่อไปได้พ่อค้าสองพี่น้องเห็นเป็นอัศจรรย์จึงพูดต่อกันว่าดูราเพื่อนเราทั้งหลายบาัดนี้เกวียนของพวกเราไม่อาจเคลื่อนไปได้เชรอยว่าจะมีเทวดาอารักหรือผีเสื้อป่า มาบรนดาลไม่ให้เกวียนของพวกเราเคลื่อนไปได้แน่ว่าแล้วเขาทั้งสองก็เห็นมองดูบนต้นไม้ก็เห็นเทวดาซึ่งสําแดงกายให้ปรากฏจึงกล่าวว่าข้าแด่เทวดาท่านจะกระทำอย่างไรแก่พวกเราทั้งหลายหนอเทวดากล่าวว่าดูก่อนพ่อค้าทั้งสองเราประสงค์จะให้เป็นคุณประโยชน์แก่เจ้าทั้งสองเพราะฉะนั้นจึงได้ดึงเกวียนไว เจ้าทั้งสองจงตั้งใจฟังบัดนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าใหม่นานได้เพียงสี่เก้าวันนี้พระองค์ไม่ได้เสวยพระกายาหารอันใดเลยขณะนี้ประทับสาราญอยู่โคนไม้ม่วงราชาัตนะในป่าที่นี้แหละเจ้าทั้งสองจงเอาข้าวนามพ่อชนะอาหารถว า, ายแก่พระองค์บัดนี้เถิด พ่อค้าทั้งสองได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความปลาโมดภาษาทะยินดีมากนักจึงพร่ำพูดไม่ขาดปากว่าสาธุดีนักข้าแต่เทวดาสาธุดีนักแลแล้วพ่อค้าทั้งสองก็นำข้าวสตูก้อนจำนวน49เก้าก้อนแต่ละก้อนเท่าผลชมพูจัดใส่ภาชนะอันสะอาด แล้วก็น้อมเข้าไปถวายแ ด, ด่พระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาคาราวะอันยิ่งในการนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ทรงรับข้าวสี่สก้อนนั้นพระองค์ทรงรำพึงถึงพุทธประเพณีว่าธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วย่อมรับเอาข้าวินทบาตด้วยบาตรในขณะนั้นชาวเจตัวโลกบาลทั้งสี่ทราบความคิดคำนึงของพระพุทธเจ้า จึงนำอาบาทหินแก้วมาองรล์ลูกถาวายแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยฝาบาทเชิงบาทและสายทตลกบาทพระพุทธองค์ทรงรู้พุทธประเพณีว่าไม่ควรทรงบาทหลายลูกสมควรทรงบาทแต่เพียงใบเดียวทรงรำพึงเช่นนี้แล้วจึงทรงนำบาทสี่ลูกนั้นซ้อนกันแล้วทรงอธิษฐานให้เป็นลูกเดียวกันด้วยเหตุนี้บาทจึงมีสี่ขอบ เมื่อพระพุทธองค์มีบาดแล้วจึงทรงรับข้าวแห่งพ่อค้าทั้งสองพ่อค้าทั้งสองพร้อมด้วยบริวารก็พร้อมกันเข้าถึงสรารณาคมด้วยคำว่าอัดชักตักเคปานุเปตังพุทธทางสารนางขฉามิว่าครบสามครั้งแล้วก็สมาทานเอาศีขาบทรักษาศีมีองค์ห้าประการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะถึงเอตะทะฆะแล พระพุทธเจ้าพระองค์ประกอบด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันยิง่งจึงทรงเอื้อมประหัสรูปพระอุตตะมังคสีสะได้พระเกศาธาตุสี่เส้นทรงมอบให้แก่ตปุตสะผู้พี่ทรงรูปอีกครั้งหนึ่งก็ได้พระเกศาธาตุสี่เส้นเช่นกันจึงทรงมอบให้แก่พันละกะผู้น้องพ่อค้าสองพี่น้องเมื่อได้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงยกขึ้นจบเหนือเสียงแห่งเขาทั้งสองขณะนั้นความอัศจรรย์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นเป็นา น, นมากเป็นต้นว่าน้ำในมหาสมุทรก็กระชอกกระรอกเคลื่นเป็นโกลาหลมหาปฐวีก็ส่งเสียงกึกก้องคํารนคลางสะทานสะเทือนไวหวหวั่นไปทั่วภูเขาซิเนโรราชก็โอนเอ็งอ่อนค้อมน้อมลงมาเทพพยดาทั้งหลายก็โปรยปลายดอกไม้ทิพ ส่งเสียงสาทุกการเป็นอันมากเมื่อนั้นพ่อค้าทั้งสองคนก็พิวาสกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันว่าพระเกศ า, าธาตเหล่านี้จะให้ข้าพระองค์ทั้งสองพี่น้องนําไปบรรจุสถาปนาไว้ที่ไหนหนอสมเด็จพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนตปุษาพันลิกา ยังมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าสังคุตตะบรรพศมีอยู่ในเมืองอุปรานครคือเมืองหงสาวดีเป็นอุดมสถานอันประเสริฐท่านทั้งสองจงนำเอาเกสาธาตุทั้งแปดเส้นนั้นไปก่อบรรจุไว้ในภูเขานั้นเถิดพ่อค้าทั้งสองก็รับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสาธุดีนักแลโดยที่แท้ ข้าทั้งสองหาได้เคยสนใจกำหนดรู้จักดอยสิงคุตระนั้นไม่ข้อคาทั้งสองเมื่อได้รับพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายบังคมอําลากลับมาสู่หมู่เกวียนแห่งตนในครั้งนั้นองค์อินทราธิราชก็ในมิตเกวียนใหญ่เล่มหนึ่งมีรัตนประสาทและโกรธแก้วสําหรับบรรจุพระเกศาธาตุประดับด้วยแก้วและเครื่องบูชาทั้งมวล สร้งไปในหมู่เกวียนห้าร้อยเล่มนั้นแล้วพระอินทร์ก็เปิดโกฎแก้วบรรจุพระเกศาธาตุทั้งแดองค์เข้าไปและบูชาด้วยอามิสบูชาเป็นอันมากแม้นเทพยทดาในชั้นฟ้าทั้งหกก็ลงมาบูชาเช่นเดียวกันพระอินทร์สั่งให้วิศนุกรรมเทวบุตรมาในระิตรสร้างวนทางให้ราบเรียบเสมองามทุกแห่งส่วนว่าพ่อค้าและเทวดาทั้งหลาย ก็แสดงมหรสาศพสมพ่อตลอดเจ็ดวันจากนั้นก็ออกเดินทางไปตามลำดับจนบรรลุถึงเมืองเชตตะตรนครและมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งเกวียนไม่สามารถที่จะข้ามไปได้พระอินทร์ก็เนรมิตสมเพอเจ็ดลำให้พ่อค้าทั้งหลายเอาเกวียนรัตนะปราศาสตรและโกรธแก้วที่บรรจุพระเกศ า, าธาตุขึ้นบรรทุกในสำเเจ็ดลานั้น แล้วก็ไปด้วยอนุภาพแห่งพระอินทร์ก็ไปถึงเมืองเชตตะตรานครฝ่ายว่าพระยาเชตตะตรานครทรงสดับข่าวอันมาแห่งพ่อค้าเหล่านั้นก็ทรงรำพึงว่าแต่ก่อนมาหมู่พ่อค้าจักมาถึงเมืองเราได้ต้องใช้เวลาถึงสามเดือนแต่พ่อค้าเหล่านี้กับใช้เวลาเจวันเท่านั้นมาถึงเมืองเราได้ ชรอยจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนุนนำมาเป็นแน่ทรงราพึงเช่นนี้แล้วจึงรับสั่งให้อมาดไปนำเอาพ่อค้าทั้งสองพี่น้องเข้ามาเฝ้าตรัสถามว่าดูราพ่อค้าทั้งสองท่านพากันมาถึงเมืองเรานี้เป็นการรีบด่วนนี้เป็นการรีบด่วนนักใช้เวลาเดินทางเพียงเจ็ดวันมีเหตุเดือดร้อนประการใดในหนทางหรือ พ่อค้าทั้งสองรำพึงว่าหากว่าเราจะกล่าวเทจว่าเกิดโกลาหนอันตรายในระหว่างทางมากจึงรีบเร่งเดินทางโดยด่วนจากโกหกอย่างนี้ดูไม่ควรเพราะจากเสียศีลเสียสัตว์เป็นบาปแกเราแลรำพึงเช่นนี้แล้วจึงกลาบทูลตามที่มีว่าข้าแดมหาราชเป็นเจ้าข้าพระองค์ทั้งคู่ได้สินค้าอันประเสริฐมา คือว่าได้พระนิพานมาในระหว่างทางข้าพระองค์ พ, พ บ, คาานะบพระพุทธเจ้าประทับอยู่โคนไม้ม่วงราชายตนะได้ถวายข้าวแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงกรุณามอบพระเกศ า, าธาตุแปดเส้นให้แก่ข้าพระองค์ทั้งคู่เพื่อนำไปบรรจุไว้ที่ดอยสิงขุตระในเมืองอุปราชนครตามพระดารัสสั่งแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแล พญาเชตตะทรณครได้ทรงสดับถ้อยคําเช่นนั้นก็ทรงบังเกิดปีติปราโมทเป็นอันมากจึงพระราชทานรางวัลเครื่องลาบสการะแก่พ่อค้าทั้งสองแล้วตรัสว่าดูราพ่อค้าทั้งสองเรามีความประสงค์อยากจะดูพระเกศ า, าธาตุยิ่งนักพ่อค้าทั้งสองได้ยินพระกระแสรับสั่งเช่นนั้นก็ไปอัญเชิญพระเกศ า, าธาตุของพระพุทธเจ้ามาให้ทอดพระเนตร พระองค์ก็ทรงอภิวาสด้วยพระราชศรัทธาอันยิ่งทรงบังเกิดปีติและศรัทธาอันไม่หวั่นไหวและตรัสว่าเราจะตัดชีสะของเราบูชาพระเกศาธาตพระราชาเทวีได้ทูลห้ามไว้ว่าเทว่าข้าแดด ม, มหาราชเจ้าหากว่าพระองค์ทรงดมลงพระชนยืนยาวไปก็ยังจะมีโระกาศได้ทรงอุปถาพระเกศาธาตยังจะมีประโยชน์มากกว่า ดังนี้พระเจ้าเชตตาตรนครทรงรับคำว่าสาธุดีดีแลแล้วพระองค์ก็ทรงถอดมองกุฎอันประจิตด้วยรัตนสุวรรณวณียอดช่อช้อยได้พันยอดน้อมบูชาพระเกศ า, าธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสแก่พ่อค้าทั้งสองว่าดูก่อนพ่อค้าทั้งสองท่านได้ของอันมีค่าประเสริฐมาเช่นนี้เราได้เห็นเปล่าเปล่าไม่ควร เพราะฉะนั้นเราจะขอเอาพระเกศาธาตุไว้อุปถาสการะบูชาสององค์พ่อค่าทั้งสองจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสองไม่อาจจะน้อมกล้าวถวายพระเกศาธาตุได้เพราะพุทธดารัสเป็นครูภาวะอันหนังยิ่งพระเจ้าเชิตะตานครหาทรงเชื่อไม่ตรัสว่าให้เราก็จะเอาไม่ให้เราก็จะเอาตรัสแล้ว พระ อ, องค์ก็เสด็จลูกจากพระแท่นทรงหยิบเอาพระเกศาธาตุสององค์พ่อค้าทั้งสองรู้สึกโทมนัสใจ ย, ยิ่งจึงร้องไห้แล้วอำลาจากมาก็มีครั้งนั้นแหลส่วนพระเจ้าเชษตะตรนนครก็รับสั่งให้ช่างสร้างปราสาทหลังหนึ่งประดิษฐานไว้ท่ามกลางเมืองบรรจุพระเกศาธาตุไว้ในนั้น ได้ทำการอบรมสมพ่อธบูชาเป็นมหากรรมอันยิ่งใหญ่ส่วนพ่อค้าทั้งสองพร้อมด้วยบริวารก็พากันขึ้นสมเผาแล่นไปในสมุทรล่วงไปได้เจ็ดคืนถึงวันที่เจ็ดก็ไปถึงเกาะแห่งหนึ่งจึงหยุดเรือจอดพักที่เกาะนั้นคืนนั้นเวลาเที่ยงคืนพระเกส า, าธาตุก็แสดงปาฏิหาร เพลงรัศมีรุ่งเรืองแจ้งกระจ่างไปทั่วดุดดังกลางวันเวลานั้นมีพญานาคตนหนึ่งเลื่อนมาในมหาสมุทรมาถึงเกาะนั้นได้เห็นรัศมีรุ่งโรดของพระเกศาธาตุเป็นที่อัศจรรย์ก็คันหนึ่งในใจว่าฉชรอยจะมีของวิเศษประเสริฐอยู่ในเรือนั้นเป็นแน่คันหนึ่งเช่นนี้แล้วก็แปลงเพศเป็นมนุษย์แอบย่องสู่เรือสาเภา เห็นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเลยขโมยเอาไปสององค์แล้วกลับสู่เมืองนาคอันเป็นที่อยู่แห่งตนพระเกศาธาตุคงเหลือเพียงสี่องค์เท่านั้นรุ่งเช้าขึ้นมาพ่อค้าทั้งสองเห็นพระธาตุหายไปอีกสององค์ก็เสียใจตีอกชกหัวร้องร่ำให้รำพันว่าต้องเป็นพญานาคแน่ที่ขึ้นมาขโมยพระเกศาธาตุไปสององค์ บัดนี้คงเหลือเพียงสี่องค์เท่านั้นเมื่อสร้างโศกแล้วก็ให้เคลื่อนสมเผาไปตามกระแสน้ำมหาสมุทรไปบรรลุถึงดอยลูกหนึ่งอยู่กลางมหาสมุทรชื่อว่าดอยของที่เกาะดอยของนี้มีชายผู้หนึ่งสมเผาแตกถูกเคลื่อนซัดให้มาติดค้างอยู่เป็นการทรมานมากเพราะไม่มีสิ่งใดจะบริโภคเป็นอาหารได้ พอเห็นสำเภาเจ็ดลำมาจอดที่เกาะก็รีบเข้าไปขอข้าวขออาหารกินแล้วต่ถามพวกพ่อค้าว่าท่านเอาสิ่งของมีค่าสิ่งใดมาหรือตะปุสะกับพริกะสองพี่น้องก็บอกว่าเราได้ของมีค่าประเสริฐมาแล้วชายผู้นั้นกลาบแล้วบังเกิดภาษาท่าศรัทธาอันยิ่งจึงกล่าวว่าบัตรนี้เราได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้ว จึงแก้ผ้านุ่งยาวสองซอกนั่งบูชาพระเกศ า, าธาตุเจ้าที่นั้นพ่อค้าทั้งหลายก็นุเคราะห์ชายผู้นั้นให้พ้นจากความลำบากพากังขี่เรือสาเภาจนมาบรรุถึงเมืองธั ญ, ญวดีนครอันมีอยู่ในแคว้นเมืองอุปราชนะครคือว่าเมืองของสาวดีนั้นพระเจ้าแผ่นดินเมืองอุปราชนะครทรงพระนามว่าอุป ร, ราชา พวกพ่อค้าก็พากันเข้าไปสู่ราชสำนักของพระองค์แล้วกราบทูลว่าข้าแดมหาราชเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายไปค้าและไปพบสมเด็จพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โคนไม้ม่วงราชายตนะข้าพระเจ้าทั้งหลายได้จัดแต่งข้าวน้ำโพโภชนะอาหารเข้าไปถวายแล้วทูลขอพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงประทานพระเกศ า, าธาตุแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายรวมแปดองค์แล้วทรงสั่งว่าให้เอาเกศ า, าธาตุทั้งแปดองค์นี้ไปประดิษฐานบรรจุไว้ในดอยสิงคุตระภูนเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามได้นำเอาพระเกศาธาตุมาถึงเมืองเชตตตะตนครพระยาเชตตะตะนารก็แย่งเอาพระเกศาธาตุไปเสียสององค์คงเหลืออยู่หกอง ข้าพเจ้าทั้งสองอัญเชิญพระเกศาธาตุมาทางเรือมาถึงเกาะแห่งหนึ่งพญานาคมาขโมยไปอีกสององคองเหลือพระเกศาธาตุเพียงสี่องข้าพเจ้าทั้งสองได้นํามาทูลกล้าวถวายนี้แหละบรรดามหากษัตริย์ทั้งหลายในสกลชมพูทวีปทั้งสิน้นจะมีพระองค์ใดมีพระราชศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนา เสมอเหมือนดังพระองค์นี้หามีไม่ขอเดชะในการนั้นพระเจ้าอุปราชาส่งสดับคํคำกราบบังคมทูลเช่นนั้นก็ทรงมีพระปีติสมนนะยิ่งนักจึงดำรัสสั่งให้มหาามาทผู้ใหญ่เตรียมเจตุลงคกเสนาสี่เหล่าคือเสนาช้างเสนามา้าเสนารถเสนาเดินเท้าแล้วให้พ่อค้าสองพี่น้องขึ้นนั่งบรรยานทองคา ประโคมค้องกรองแหนแห่ห้อมล้อมดำเนินไปก่อนและตามหลังหมายถึงแห่ไปก่อนหน้าและแห่ตามหลังส่วนพระเจ้าอุปราราชาก็เสด็จไปด้วยบริวารเป็นอันมากเมื่อไปถึงที่ที่จะบรรจุพระเกศสาธาตุก็ทำประทักษิณสามรอบแล้วอภิวาทกลาบไหว้พระเกศสาธาตุบูชาด้วยอามิสบูชาต่างๆ แล้วพระองค์ก็ทรงประนมพระหัตต์อัญเชลีตั้งพระทัยอธิฐานว่าแม้นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงมีพระธรรมเมตตาแก่ข้าพระองค์อย่างแท้จริงและได้ทรงประทานพระเกศาธาตุเหล่านี้เพื่อบรรจุไว้ให้ข้าพระองค์ได้เห็นและได้นำมาสการพระเกศาธาตุทั้งแปดองค์แท้ขอให้ข้าพระองค์ได้เห็นพระเกศาธาตุทั้งแปดองค์ด้วยเถิด ทรงอธิษฐานแล้วก็ทรงเปิดฝาพระอบแก้วก็ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาธาตุทั้งแปดองค์พระองค์ก็ทรงสมนัสสาธุการเป็นอันมากด้วยพระสมนัสถึงขีดสุดจึงตรัสว่าเราจะตัดเสียงของเราบูชาพระเกศาธาตุพระราชเทวีได้สดับเช่นนั้นจึงกราบทูลเตือนพระสติว่าเทวะข้าแดมหาราชเจ้า หากพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ยืนนานก็จะทรงมีโอกาสไหวนบสการะพระเกศาธาตุได้มากกว่าที่จะทรงกระทำเช่นนั้นพระเจ้าอุป ร, ราชก็ทรงยินดีจึงทรงถอดพระสวรรณมงวงกฏออกบูชาพระเกศาธาตุแล้วตรัสแกตปุษสะและภาริกะสองพี่น้องว่าดูราพ่อค้าทั้งสองพระเกศาธาตุเจ้าที่ว่ายังเหลืออยู่สี่องค์นั้น บัดนี้พระเกศาธาตุก็ปรากฏให้เห็นทั้งแปดองค์เช่นนี้เป็นเพราะเหตุดายหนอพ่อค้าทั้งสองได้เห็นเช่นนั้นก็บังเกิดปีติสมนัดมากจึงกราบบังคมทูลว่าเทวข้าแดมหาราชเจ้าชฉลอยจะเป็นพระบุญพระราชสมภารของพระองค์มีมากเป็นแน่จึงทำให้พระเกศาธาตซึ่งยังคงเหลืออยู่เพียงสี่องค์ กับปรากฏดให้ทอดพระเนตรครบทั้งแปดองค์เช่นนี้เป็นการดีที่สุดแล้วเป็นเพราะบุญยาสมภารของพระองค์เป็นแน่แท้ในการนั้นพระเจ้าอุป ร, ราชก็พระราชทานรางวัลแก่พ่อค้าทั้งสองเป็นอันมากแล้วก็อันเชิญพระเกศาธาตุด้วยการบูชาแห่นแห่เข้าสู่เมืองทัญบดีนครก็มีในวันนั้นแล พระองค์ก็ให้ตีกลองนันทเพรีเป่าประกาศแก่คนทั้งหลายครบเจ็ดวันให้คนทั้งหลายมาประชุมกันเป็นอันมากแล้วมีพระดำรัสถามคนเหล่านั้นทั้งคนแก่และคนหนุ่มไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะรู้จักดอยสิงคุตระพระเจ้าอุป ร, ราชและพ่อค้าทั้งสองรู้สึกโรมนัดมากแต่พระองค์ก็เล่าโลมพ่อค้าทั้งสองว่า เมื่อเราไม่อาจหาดอยสิงคุตระให้พบได้เราก็จะเอาพระเกศาธาตุไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่สมควรนั่นแลพ่อค้าทั้งสองกราบทูลว่าข้าพเจ้าทั้งสองไม่อาจล่วงข้ามฝ่าฝืนพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แลกราบทูลแล้วก็ปริเทวนาร้องไห้คร่ำควรวญตีอกชกหัวอยู่ก็มีแลในการยามนั้น มหาปทวีแผ่นดินใหญ่ก็ร้องก้องครวนครางวันไว้ไปมาเป็นโกลาหนุนภูเขาซีเนโรราชก็โอนอ่อนนอบน้อมคล้อมลงมาสู่ปทีน้ำในมหาสมุทรก็ป่วนด้วยแรงคลื่นกระชอกเป็นที่อัศจรรย์มากเสียงโกลาหนดังตราบเท่าถึงอคติถาพรหมโลกพ้นฝ่ายว่าสมเด็จพระอมรินทราธิราชก็ทรงรำพึงดู ก็ทรงทราบแจ้งในเหตุการณ์ทั้งมวลว่าพ่อค้าทั้งสองและพระเจ้าอุป ร, ราชไม่อาจหาดอยสิงคุตระพบจึงทรงรับสั่งให้วิศนกรรมเทวบุตรพร้อมด้วยบริวารว่าดูราวิศนุกรรมเทวบุตรท่านจงเอาบริวารลงไปแผ้วถ า, ถางทางที่ยอดดอยสิงคุตระให้เป็นสถานที่ราบเรียบเสมองามทั้งมวลให้เป็นเสมือนดังหน้ากลองชัยนั่นแหละ เสร็จจงกลับคืนมาเถิดวิษณุกรรมเทวบุตรน้อมรับคําสั่งสมเด็จอินทราธิราชแล้วก็ลงมาในระมิดดอยสิงคุตระให้ราบเรียบเสมอดีแล้วก็เข้าไปหาพ่อค้าทั้งสองพี่น้องแล้วถามว่าดูราพ่อค้าทั้งสองพี่น้องเจ้าร้องไห้ด้วยเหตุประการใดพ่อค้าทั้งสองกล่าวว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประธานพระเกศาธาตุแกเราแปดองค์นํารัสสั่งว่าให้เรานําไปบรรจุที่ดอยสิงคุตระโพรนเถิดบัดนี้พวกเราทั้งหลายมีพระเจ้าอุประนะครเป็นพระประมุขไม่อาจที่จะหาดอยสิงคุตระลูกนั้นพบจึงร้องให้คร่ำครวญอยู่เพราะความเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นในการยามนั้น พระเจ้าอุประนครก็กลับทรงถอดมองกุฎที่มียอดใดพันหนึ่งออกมาบูชาพระเกสาธาตุแล้วก็ทรงกันแสงเป็นอันมากส่วนวิสุกรรมเทวบุตรในเพศของมนุษย์ก็กล่าวแก่พ่อค้าว่าท่านอย่าได้เสียใจไปเลยชรอยวันพวกนี้คงจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาบอกเรื่องดอยสิงคุตระเป็นแน่ว่าแล้วก็อันตรธานไปแล ในคืนนั้นเมื่อจูนสว่างตปุษกาผู้พี่ก็ฝันว่ายังคนผู้หนึ่งถือดอกบัวดอกหนึ่งเข้ามาจากทิศตะวันออกส่วนภริกะผู้น้องก็ฝันว่าตนเองได้ลงไปใต้แผ่นดินแล้วใช้มือทั้งสองข้างทูลแผ่นดินไว้แล้วทั้งสองก็สะดุ้งตื่นพ่อค้าทั้งสองก็เล่าความฝันให้แก่การฟัง พ่อค้าผู้เป็นน้องได้ฟังก็กล่าวว่าขอให้พี่จงมีอุตมะธีคาอายุมั่นย่างยืนเถินดอกบัวนั้นก็คงได้แก่พระเกศาธาต์แปดองค์เราทั้งสองคงจะได้อุปถาบำรุงพระเกศาธาตตราบสิ้นอายุของเราเป็นแน่แท้พ่อค้าผู้พี่ก็กล่าวแก่น้องตนว่าดูราเจ้าน้องรักการเวลาที่จะมีมาข้างหน้าอีกนาน ด้วยกุศลที่เราทั้งสองได้กระทําไว้เราคงจะได้สงเคราะห์โปรดคนทั้งหลายแท้แลพ่อสายขึ้นพระอาทิตย์ส่องสว่างไปทั่วโลกกธาตุพ่อค้าสองพี่น้องก็มองเห็นสถานที่แห่งดอยสิงขุตระด้วยอนุภาพแห่งวิสุนุ ก, กรรมเทวบุตรแผ่นดินที่นั้นเป็นที่ราบเรียบสม่ําเสมองามยิ่งพลิกะผู้น้องจึงพูดว่า ความฝันของเราทั้งคู่เป็นความฝันอันจริงแท้ที่ว่าดอยสิงคุตระคงใช่ดอยลูกนี้แหละพระพุทธเจ้าดํารัตสั่งเราเป็นอันถูกต้องยิ่งนักกล่าวแล้วก็ประนมนมัส ก, การไปทางดอยสิงขุตระแล้วก็พากันไปเฝ้าพระเจ้าอุปะละนะครกราบทูลว่าข้าแดมหาราชเจ้าบาดนี้ข้าพระเจ้าทั้งสองเห็นดอยสิงคุตระนั้นแล้ว พระเจ้าอุประนครทรงโสมนัสเป็นอันมากทรงมอบบ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีภาษีกรจะพึงเก็บได้ถึงแสนกะหาปณะนะแก่พ่อค้าทั้งสองรับสั่งให้ตระช้างมงคลเชือกประเสริฐประทับบนหลังช้างแล้วเสด็จไปพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากเพื่อไปทอดพระเนตรดอยสิงขุตระเมื่อเสด็จไปถึงทรงทำประทักษิณสามรอบ แล้วเสด็จไปทิศใต้ซึ่งกว้างได้เก้าสิบยอดกับช่างที่ดอยสิงคุรตระอันราบเรียบงามยิ่งประดุดดังหน้ากลองชัยเพรีหากจะใช้มนุษย์ปรับให้เสมอเช่นนี้แม้จะใช้เวลาสักร้อยปีก็ไม่อาจจะทำให้เสมอได้พระองค์ก็ทรงอัศจรรย์พระทัยมากทรงถอดมองกุฎทองคำที่มียอดได้พันยอดออกบูชาสถานที่นั้น แล้วตรัสเรียกหาตปุษะและภริกะสองพี่น้องแล้วตรัสว่าเราเจอที่ฐานพระเกศาธาตุทั้งแปดองนั้นไว้ในสถานที่นี้แลหรือพ่อค้าทั้งสองกราบวงคคมทูลว่าเทวค่าแดมหาราชเจ้าโปรดทรงรอไว้สักระยะหนึ่งก่อนเถิดด้วยว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าทั้งสองว่าสถานที่นี้ พระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ที่เสด็จนิพพานแล้วคือพระพุทธเจ้ากากคูสันทะพระพุทธเจ้ากโกนาคมนะและพระพุทธเจ้ากัสปะเมื่อเสด็จสู่นิพพานไปแล้วย่อมนำพระธาตุมาบรรจุไว้ในที่นี้ทุกพระองค์บัดนี้เรายังค้นหาที่เคยบรรจุพระธาตุเหล่านั้นยังไม่พบขอเดชะในการครั้งนั้น พระเจ้าอุปราชราชรับสั่งให้ประกาศเรียกหามายังคนเท่าคนแก่ที่มีอายุมากแล้วตรัสถามว่าดูก่อนคนผู้เท่าทั้งหลายในพวกท่านนี้มีคนใดบ้างที่เคยเห็นพระพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วประดิษฐานพระาธาตุไว้ที่ไหนผู้ใด ย, ยังรู้ยังเห็นบ้างเราจกให้คนผู้นั้นได้ถึงสุขแลคนทั้งหลายเหล่านั้นกราบบังคมทูลว่า ขอเดชะข้าพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทราบแต่ว่ามีคนที่อายุมากกว่าข้าพุทธเจ้ายังมีอยู่พยาค่ะพระองค์รับสั่งให้หาคนเหล่านั้นมาเฝ้าตรัสถามดูก็ไม่มีคนใดเคยรู้เคยเห็นมาก่อนอข้อคาทั้งสองก็โศกเศร้าเสียใจยิ่งจึงร้องไห้เป็นอันมากในการครั้งนั้นพระอินทร์ก็ทรงรับสั่งให้วิสุนุกรรมเทวบุตร ตีกลองเป่าประกาศในชั้นฟ้าทั้งหมดเทวดามเฮศักด์ทั้งหลายก็พากันลงมาเล่นมโหรสพที่ดอยสิงคุตระณที่นั้นส่วนว่าสมเด็จอมรินทราธิราชก็จัดเจตรุงรงคเสนาอันเป็นทิพส่วนพระองค์แล้วกระทรงประทับบนคอช้างเอราวันพร้อมกับคณะเทพทั้งหลายอันเป็นบริวารเรียงรายกันตั้งแต่ชั้นฟ้ากามาวจรมา ราบจนถึงดอยสิงขุตระเป็นอันแออดยัดเยียดกันมากในการนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็หวาดสะดุ้งตกใจมากพระอินทร์ก็ตรัสบอกแก่คนทั้งหลายไม่ให้เขาหวาดกลัวแล้วตรัสเรียกพ่อค้าทั้งสองมานั่งบนที่นั่งอันเป็นทิพกับด้วยพระองค์แล้วพ่อค้าทั้งสองถามกับพระอินทร์ว่าท่านพอจะทราบไหมว่าในดอยสิงขุตระนี้ ตรงไหนเป็นที่ประดิษฐานพระาธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ที่ล่วงมาแล้วคือพระพุทธเจ้ากักุสันธะพระพุทธเจ้ากโกนาคมนะและพระพุทธเจ้ากัสปะพระอินตรัสว่าทูก่อนพ่อค้าทั้งสองเรามียุยืนเพียงหนึ่งพันปีทิพย์ถ้าจะนับเป็นปีในเมืองมนุษย์ก็จะได้เพียงสามตื้อปลายหกล้านปีเท่านั้นจึงไม่ทันได้รู้ได้เห็น แต่ว่าผู้ที่เคยรู้เคยเห็นต้องมีอย่างแน่นอนพระอินให้เชิญเทวดาองค์หนึ่งซึ่งอยู่ที่ต้นไม้มาเดือเกลรียงเมื่อเทวดาองค์นั้นมาถึงทรงให้นั่งร่วมอ่าจและตรัสถามว่าดูราเทวดาพระาธาตุของุูธเจ้าทั้งสามพระองค์ที่ผ่านมานั้นประดิษฐานไว้ที่ตรงไหนหนอเทวดาก็ทูลพระอินว่าขอเดชะมหาราชเจ้า หนึ่งมหากรบแบ่งมาเป็นห้าส่วนอายุของข้าพระองค์มีเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นข้าพระองค์ไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่ายังมีเทวบุตรสององค์องค์หนึ่งชื่อว่าอินทาองค์หนึ่งชื่อว่าโควินทะมีอายุยืนกว่าข้าพระองค์มากลำดับนั้นพระอินทก็ให้เชิญเทวบุตรสององค์นั้นมาเมื่อมาแล้วทรงให้นั่งร่วมอา่านและตรัสถามเทวบุตรสององค์นั้น เทวบุตรสององค์นั้นก็กราบทูลว่าเทวะาข้าแดมมหาราชอายุแห่งข้าพระองค์ทั้งสองมีเพียงครึ่งกับเท่านั้นย่อมไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่ายังมีเทวบุตรสี่องค์องค์หนึ่งอยู่ที่ไม้กระทุ่มองค์หนึ่งอยู่ที่ไม้หมากพินหรือมะตูมองค์หนึ่งอยู่ที่ไม้ส้มสุกหรืออโศกองค์หนึ่งอยู่ที่ภูเขาซีเนโร เทวบุตรสี่องนี้มีอายุยืนยาวกว่าข้าพระองค์ทั้งคู่อาจจะเคยรู้เคยเห็นที่ที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์เป็นแน่เมื่อนั้นพระอินทร์ก็ทรงให้เชิญเทวบุตรทั้งสองค์นั้นมาทรงให้นั่งร่วมอาดแล้วตรัสถามเทวบุตรสี่องเจาะจงเฉพาะเทวบุตรองค์หนึ่งชื่อว่าอมิตราว่าท่านผู้หาทุกข์ไม่ได้ ท่านวีอายุยืนนานสักเท่าใดหนออมิตราเทวบุตรก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์อายุยืนได้หนึ่งมหากับพยาค่ะพระอินทร์ตรัสถามต่อไปว่าท่านยังเคยรู้เคยเห็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระาธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ในดอยสิงขุทระหรือไม่อมิตราเทวบุตรก็กราบทูลว่าขอเดชะ ข้าพระองค์เคยรู้เคยเห็นและเคยอภิวาสกราบไหว้พระพุทธเจ้ากกุสันท่พระองค์นั้นแลพระอินทตรัสถามต่อไปว่าท่านได้รู้ได้เห็นได้อภิวาสศล่าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเพราะเหตุใดหรือเทพบุตรกราบทูลว่าขอเดชะเมื่อปฐมมากับนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากากุสันท่ได้ตรัสรู้เป็นครูแก่โลก เวลานั้นข้าพระองค์ได้เกิดมาเป็นยักษ์ตนหนึ่งอาศัยอยู่ในอนาบริเวณนั้นต้องกินช้างวันละหนึ่งเชือกจึงจะรู้สึกอิ่มมีในวันหนึ่งข้าพระองค์ไปเที่ยวสแสวงหากินช้างไม่พบช้างแม้เชือกเดียวพอดีเรงเห็นพระพุทธเจ้ากัคุสันท ะ, สะเสด็จมาบินทบาทจึงไล่เพื่อจะจับกิน แต่วิ่งไล่เท่าไรก็ไม่อาจจะจับเอาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้รู้สึกเหนื่อยอ่อนระหวยรยแรงยิ่งพระพุทธเจ้ากกุสันทะตรัสถามข้าพระองค์ว่าเจ้ารู้จักเราเช่นนั้นหรือข้าพระองค์ตอบว่าไม่รู้จักพระพุทธองค์จึงตรัสตอไปว่าดูราเราจะใส่ทันทกรรมแก่เจ้าข้าพระองค์ทูลถามว่าท่านจะใส่ทันตกรรมแก่เราด้วยเหตุประการใด พระพุทธองค์ตรัสว่าเราจะให้ท่านรักษาศีลห้าข้าพระองค์จึงถามต่อไปว่าจากให้เรารักษาศีลห้าตลอดชีวิตหรือพระพุทธองค์ตรัสว่าเราจะให้ท่านรักษาศีลห้าเจ็ดปีข้าพระองค์ทูลว่าถึงรักษาเจ็ดเดือนก็ไม่ได้พระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะให้รักษาศีลเจ็ดวันข้าพระองค์จึงน้อมรับเอาคําของพระพุทธเจ้าว่า อามะพันเตขอรับท่านผู้เจริญจากนั้นฟันของข้าพระองค์ก็หลุดออกมาสองซี่คือเขี้ยวที่งอกออกมานอกปากนั้นพระพุทธเจ้ากักุสนระทรงประทานธรรมกรรกแก่ข้าพระองค์ก็ได้เอามาก่อบัรจุไว้ในที่นี้ที่ที่ข้าพระองค์มาเห็นพระพุทธเจ้านั้นได้ชื่อภาษาไทยว่าดอยที่เห็นพระพุทธเจ้า ที่ที่ข้าพระองค์ขานรับเอาศีลนั้นได้ชื่อว่าเก็บหัวชื่อภาษาไทยว่าพระเจ้าโผดข่าตราบถึงการบัดนี้ที่ที่ข้าพระองค์รับเอาธรรมกรกรหรือที่กลองน้านั้นได้ชื่อว่ากระลิงชื่อภาษาไทยว่ารับเอาธรรมทอกแลพระอินทรงสดับัเช่นนี้ก็มีพระทัยยินดีพร้อมกับสาธุการเป็นอันมากแล้วตรัสถามเทพบุตร ที่อยู่ในป่าไม้หมากพินหรือมะตุมเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วเทวบุตรจึงทูลว่าในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าโกนาคามณะเป็นพระโปรดเวนายศาสตร์อยู่นั้นข้าพระองค์ได้เกิดมาเป็นยักษ์ได้เดินเที่ยวหาอาหารกินไปพบพระพุทธเจ้าที่ดอยหินลูกหนึ่งจึงจากดอยลูกนั้นไปสู่ดอยอีกลูกหนึ่งแล้วมาคิดได้ว่า เราน่าจะกินพระพุทธเจ้าเป็นอาหารเสียจึงกลับมาสู่ดอยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่มันเป็นดอยที่สูงมากพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเจ้าไม่รู้จักเราหรือข้าพระองตอบว่าไม่รู้จักขณะนั้นขนตามกายก็ลุกชูชันทุกเส้นบังเกิดความกลัวเป็นอันมากจึงก้มหน้าอภิวาสพระพุทธเจ้าในสถานที่นั้นพระพุทธองค์ตรัสสั่งสอนว่า เจ้าโจงรักษาศีลห้าทันทีนั้นเขี้ยวและขนแห่งข้าพระองค์ก็หลุดร่วงตกลงไปสิน้นจึงนั่งเอาหลังพิงดอยนั้นดอยลูกนั้นจึงได้ชื่อว่าการสีชื่อภาษาไทยว่าดอยอิงมาจนกระทั่งบัดนี้ดอยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นชื่อว่าเบงขอชางชื่อภาษาไทยว่าดอยพระพุทธเจ้าอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้ พระพุทธเจ้าโกนาคมนะทรงประทานทานพระกอหรือไม้เท้ามีด้ามทำด้วยทองคำให้ข้าพระองค์จึงนำมาบรรจุไว้ในที่นี้แลเมื่อเทวบุตรกล่าวจบลงแล้วเทวดาและมนุษย์ก็กล่าวสาวทุกการเป็นอันมากสมเด็จอมรินทราธิราช จ, จึงตรัสถามเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อว่าโรฮีนีอันอยู่ในป่าไม้ส้มสุหรืออโศก เช่นเดียวกับที่ตรัสถามมาแล้วเทพพระบุตจึงกราบทูลว่าสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ากระสปะตรัสรู้แล้วพระองค์ได้เสด็จมาสอนข้าพระองค์ว่าให้รักษาศีลห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ข้าพระองค์ก็ไม่ล่วงเกินคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อรับเอาแล้วก็ปฏิบัติตามทุกประการพระพุทธเจ้ากระสปะทรงประทานผ้าจีวรแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รับเอาแล้วได้นำมาบรรจุรวมกับธรรมกรกรและไม้เท้าคําของพระพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วในที่นี้เมื่อกล่าวจบเช่นนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เปล่งเสียงสาธุการเป็นอันมากเท้าสักกะเทวราชาจึงตรัสถามทักคินเทพบุตรอันอยู่ที่เขาซิเนโรว่าท่านยังคงเคยรู้เคยเห็นรอยสิงขุระ เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ที่ล่วงไปแล้วหรือไม่หากว่าท่านทราบโปรดบอกแกเราเดี๋ยวนี้เถิดทักขินะเทพประบุก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ที่เสด็จดับขันธพริิพพานไปแล้วข้าพระองค์ได้เคยพบเคยเห็นจริงแต่ว่าข้าพระองค์ไม่ทราบที่ที่บรรจุพระบรมธาตุในดอยสิงคุตระนี้ พระเกศาธาตุทั้งแปดองค์ที่พระพุทธเจ้าโคตมะทรงประทานแก่ตปุตสะกับพลิกะสองพี่น้องข้าพระองค์ก็ได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงและรู้ต่อไปข้างหน้าว่าแม้นพระพุทธเจ้าอริยะเมตไตรก็ยังเอาพระาธาตุกระดูกพระนาราสมาบรรจุไว้ในที่นี้รวมกับพระาธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วข้าพระองค์ก็จักได้อุปถากบำรุง ตราบจนหมดชิ้นพัทธรกับนี้ลำดับนั้นเทพบุตรองค์ชื่อโลหะเสนาก็กราบทูลว่าพระบรมธาตุของพระ เ, เจ้าอันจักเป็นมหาเจดีย์ไปภายหน้าจะต้องปรึกษากันเพื่อสร้างถึงสามครั้งก่อนส่วนข้าพระองค์ก็จักอยู่บัตถากรักษาตราบเท่าเสิ้นสุดพัทธรกับนี้แลพระอินทรงสดับถ้อยคำแห่งเทวาบุตรทั้งหลาย กษัตริย์มังเกิดปีติสมนัตมากจึงตรัสโมทนาคุณเทวบุตรและเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นว่าบัดนี้เทวดาทั้งหลายองค์หนึ่งรู้ที่ที่ประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้ากกุสันระองค์หนึ่งรู้ที่ที่ประดิษฐานพระธาตุพระพุทธเจ้าโกนาคมณะองค์หนึ่งรู้ที่ที่ประดิษฐานพระธาตุพระพุทธเจ้ากัสปะ องหนึ่งรู้พระธาตุพระพุทธเจ้าโคตมะองหนึ่งรู้พระธาตุพระพุทธเจ้าอริยะเมตไตรที่จะเป็นมาในอนาคตเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกอย่างก็จะสำเร็จเป็นแน่แท้จากนั้นเทพบุตรองหนึ่งก็ถือเอาเสียมพ่วส่วนองค์อินทราธิราช ท, ทรงถือเสียมขุดในที่ที่นั้นลึกได้ส5บห้าอกกว้างได้ส5บห้าอก หลุมนั้นราบเรียบสั่งเหมองามยิ่งแล้วพระอินทร์ก็ทรงเดรเมิดก้อนอิดทองคํสิบหกก้อนหนาได้สิบสี่อกกว้างสี่อกเอารองเป็นฐานใต้หลุมสี่ก้อนและเอาเป็นฝาปิดปากหลุมข้างบนแล้วเอาแก้วเจ็ดประการลงใส่ไว้ในหลุมนั้นโดยกองแก้วไว้ท่ามกลางตั้งจะกลาวุฒหกสิบอันรอบสี่ด้านของหลุม แล้วเอาประสาทแก้วโกดแก้วที่บรรจุพระบรมธาตุนั้นตั้งไว้เหนือแท่นแก้วแล้วพระอินทร์ก็เนรมิต ร, รูปทั้งหลายคือรูปของพระอินทร์เองหนึ่งรูปนางสุชาดาหนึ่งรูปพระเจ้าอุปละราชกับพระราชเทวีหนึ่งและรูปเทวดาทั้งหลายที่ฝาบรักษาจนไม่อาจจะนับได้รูปเนรมิตเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทองคาทั้งสิ้น ตั้งไว้ล้อมรอบแท่นแก้วที่รองรับโกวดแก้วที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุนั้นพระอินทร์ก็ทรงปรารภว่าเราจักไปเอาน้ำจากสระอโนมตตสะมาสงพระเกศาธาตุก็ไม่เหมาะสมเพราะน้ำนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์ลางท่านก็ว่าจะไปเอาน้ำจากมหาสมุทรทั้งสี่มาสงก็ว่าไม่เหมาะสมจะไปเอาน้ำจากมหาสรทั้งเจ็ด อันมีขอบสะและพื้นสะประดับด้วยรัตนามณีก็ว่ายังไม่เหมาะสมเหตุว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตไว้อีกประการหนึ่งดอยสิงขุตระนี้ประเสริฐกว่าที่ทั้งมวลสมเด็จอินทราธิราชเมื่อจะทรงสแสวงหาน้ำเพื่อมาสงพระเกศสาธาตุไม่ได้พระองค์จึงทรงดดรหมิตรสะใหญ่ไว้ที่ใกล้พระเกศสาธาตุ และเนรมิตสะใหญ่เจ็ดสะไว้ภายใต้เนรมิตหายทองคาไว้เป็นหมื่นเป็นแสนหายเนรมิตหายแก้วเจ็ดลูกหายแก้วทั้งมวลได้4ี่ส้าลูกเทวดาทั้งหลายสี่โกรธองค์ในมือถือหายองละหายเข้ามาสงพระเกศาธาตุในการนั้นคนและเทวดาทั้งหลายก็เป่าประกาศกันเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนว่าพระเกศาธาตุก็สัมแดงปาฏิหาริย์ลอยขึ้นไปในอากาศสูงได้เจ็ดชั่วต้นตาลแล้วเสด็จกลับมากลับกลายเป็นพระพุทธสุรารูปของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์คือพระพุทธเจ้ากักุสันทะพระพุทธเจ้ากโกนาคมณนะพระพุทธเจ้ากาสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะประทับอยู่ในทิศ ท, ทั้งสี่แล้วเปล่งพระฉับพานรังสีหกประการ คือขาวเขียวแดงดำเทาเหลืองเป็นเกลียวตวัดพุ่งติดต่อกันเป็นสายขึ้นไปจนถึงพรหมโลกยิ่งกว่านั้นพระชับพรณรังสีเหล่านั้นก็แผ่ซ่านอาบไปทั่วจั ก, กรวาลและกลับพุ่งเลื่อนไหลหลังลงครอบคลุมถึงเอเวจีมหานรกก็มีแลในการนั้นคนและเทวดาทั้งหลายรวมทั้งอินพรหมครุฑนาค ไอส้สวนกุมพันคนทานเปรตผีและสัตว์นรกต่างก็มองดูเห็นซึ่งกันและกันไม่มีเหลือแห่งใดเลยแม่คนหูหนวกก็หายจากอาการหูหนวกคนตาบอดก็กลับมองเห็นได้ชัดคนที่เป็นง่อยเปรี้ยเสียขาหลังคตหลังโกงและคนที่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอาการป่วยเหล่านั้นก็ระ ง, งับหายไปทันที เปลวไฟนรกที่เคยร้อนแรงก็กลับกลายเป็นเย็นชำ่ำด้วยเดชานุภาพแห่งพระเกศาธาตุมหาปตพีอันหนาได้สองแสนสี่หมื่นยอก็ส่งเสียงคำรามกึกก้องวันไหวไปทั่วภูเขาซิเนโรราชบันพดก็โอนเอ็นอ่อนน้อมคล้อมไปมาหาฝนเมฆโลทาราก็ไหลหลังทะทังตกลงมาในขณะนั้น ส่วนพระเจ้าอุปราราชทรงบังเกิดสมานาจิตคิดด้วยภาษาท่าศรัทธามากทรงตั้งปณิธานปรารถนาเอาสัพพัญยุตยานอันประเสริฐ ด, ด้วยทีแท้พระเจ้าอุปราชราชทรงบังเกิดพระราชศรัทธามากพร้อมด้วยตปุจสะและพาลิกะสองพี่น้องและพระอินมันเหษักเทวดาทั้งหลายได้สะสมพระเกศาธาตุแล้วสมเด็จอินทราธิราช ก็ทรงดรมิตรแผ่นทองคำแดงหกกรีบแต่ละกรีบกว้างสี่สบสี่อกหนาหนึ่งอกยาวสี่สบสี่อกสร้างอุมโมงค์โค้งบรรจุพระธาตุแล้วก็หล่อพระพุทธเจ้าปางประทับอยู่ที่มหาสัตตสถานทั้งเจ็ดแห่งแล้วก็นรมิตรรูปพระอินทร์และรูปพระนางสุชาดามีน้ำหนักองค์ละสี่แสนคำแล้วก็เอาก้อนอิฐทองคำก่อชั้นต่อมาก่อด้วยเงิน ชั้นต่อมาก่อด้วยทองขาวชั้นต่อมาก่อด้วยอิฐทองแดงชั้นต่อมาเป็นอิฐพลอยชั้นต่อมาเป็นอิฐเหล็กก่อเรียงลำดับกันออกมาแล้วก่อสูงขึ้นไปข้างบนกลายเป็นมหาเจดีย์และประดิษฐ์ตกแต่งด้วยเครื่องสักการะบูชาพร้อมบริบูรณ์ด้วยเครื่องทั้งมวลซึ่งล้วนแต่ทำด้วยแก้วเงินทองคําเป็นต้นว่าฉัดช่อทุงพัด ใบไหลจามอนโคมไฟหายดอกประทีปทูปคันทะจุรณาจันมีวันนะและลิ่นลดหลายประการต่างๆประดิษฐานตั้งไว้ให้เป็นเครื่องสการะแก่คนและเทวดาทั้งหลายตราห้าพันพระวสาสมเด็จพระอินทราธิราชทรงรำพึงเห็นประโยชน์ที่จะมีในภายหน้าเพื่อจะเป็นอุปการะคุณแก่พระพุทธศาสนา จึงทรงเดนมิตรสะโบกคารีและทรงดนมิรบ่อน้ำมันยาไว้เพื่อเป็นเครื่องชำระโรคาพยาธิของพิสุสมัมมเนียนทั้งหลายและใช้จุดใต้ไว้สอ่องอ่านดูอักขระธรรมคำสอนในอนาคตทรงให้มีพร้อมทุกประการแล้วก็มีมหากรรมเฉลิมฉลองบูชาตามพอใจแห่งคนธรรมดาและเทวดาทั้งหลายจนเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ ฝ่ายพระ อ, อินทร์สักกะเทวราชก็เสด็จกลับคืนสู่สวรรค์อันเป็นที่ประทับอยู่แห่งพระองค์ก็มีแลส่วนมหาเจดีย์สิงคุตละเจ้านั้นเป็นอันประเสริฐยิ่งปรากฏรุ่งเรืองอยู่ในเมืองมหาอุปรานครคือเมืองหงสาวดีเป็นเหตุให้เป็นที่ประชุมชุมนุมแห่งเมืองทั้งหลายคือว่าทิศตะวันออกมีเวียงมวัดตินครตั้งอยู่ ทิศใต้มีเวียงทัญวัตติตั้งอยู่ทิศตะวันตกมีเวียงชื่ออวิพิชนครตั้งอยู่ทิศเหนือมีเวียงกาลานครตั้งอยู่ต่อจากนั้นมีเวียงชื่อว่าชัยมานครคือว่าเมืองเวียงกุงหมาภาษาไทยเราชื่อว่าเวียงตะโค่องอยู่ใกล้มห า, าธาตุเจ้าสิงคุตระหนึ่งพันวา ส่วนว่าพระเจ้าอุป ร, ราชนั้นอยู่เมืองทั ญ, ญวดีนครเมืองทั ญ, ญวดีนครนั้นเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานกว่าคนทั้งหลายที่อยู่ในเวียงทั้งมวลเป็นเมืองที่บริบูรณ์เต็มไปด้วยเสนาอมาตย์พราหมุโรหิตเศรษฐีขหาหบดีกระดุมพีรัฐประชาพ่อคาพระเนนมียศสมบัติอันรุ่งเรืองมากนัก คนทั้งหลายก็ประกอบด้วยภาษาท่าศรัทธาย่อมบูชามหาจดีตราบสิ้นอายุแห่งเขาคั้นจุติตายไปก็ไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกนั้นแลเมื่อพระเจ้าอุป ร, ราชเสด็จสวรรคตแล้วต่อจากนั้นก็มีพระยาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปัญโยราชมหากษัตริเสวยราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธามาก ทรงกอบพ่อพระมหาเจดีย์อีกครั้งหนึ่งภายหลังเมื่อถึงสมัยพระมหากษัตริย์องค์พระนามว่าปัญโยจันโทราชาเสวยราชพระองค์ทรงพระราชศรัทธาเป็นอันมากทรงกอบพ่อพระมหาเจดีย์อีกครั้งหนึ่งนับเป็นครั้งที่สามต่อแต่นั้นมามีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปัญญาเตชราชเสวยราชทรงมีพระราชศรัทธามาก ทรงก่อพอกชั้นนอกจากบนลงลากให้เป็นชั้นเป็นลานลงมาเจ็ดชั้นจนถึงเชิงดอยสิงขุตระภายหลังจากนั้นยังมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าธรรมเจยรยราสวราชพระองค์ทรงประกอบด้วยพระราชศรธรมมากทรงสร้างระฆังสองลูกระฆังลูกหนึ่งสิ้นทองแดงหล่อเก้าล้านแปดแสนช้อย ชายหนึ่งมีประมาณหนึ่งจุสามกิโลกรัมระฆังใหญ่ลูกนั้นสูงส1บเอ็ดศอกหากว่าคนตีระฆังลูกนี้จะมีเสียงดังสนั่นไปถึงเกาะลังการะฆังอีกลูกหนึ่งสิ้นทองแดงสี่แสนทองสำหรับไว้ตีสมโพธบูชาพระมหาเจดีย์ต่อจากนั้นมามีพระมหากรรษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติทรงประกอบด้วยพระราชศรัทธา ทรงก่อเสริมต่อพระมหาเจดีย์ให้สูงขึ้นไปอีกเจ็ดอกฐานธรณีพระมหาเจดีย์แต่ละด้านยาวสองร้อยหกสิบเจ็ดอกสูงสองร้อยหกสิเจ็ดอกวัดรอบทั้งหมดหนึ่งพันยี่สิบอกดวงปีใหญ่เก้าวาส่วนสูงของดวงปรีเจ็ดวากว้างสองอกตุ่มดาวที่อยู่ดวงปรีใหญ่ยิ่งก่อเป็นเงื่อมพอให้คนอาศัยอยู่กันแดดกันฝนได้หนึ่งคน ถ้าเราอยู่ข้างล่างเหนือแผ่นดินมองขึ้นไปจะมองเห็นเท่าบาทขนาดใหญ่เหล็กที่ใช้เป็นแกนไส้ใจกลางพระมหาเจดีย์ใหญ่สามกำมือฉัดยอดพระมหาเจดีย์มีเจ็ดชั้นชั้นแรกกว้างสิบเอ็ดศอกพอกพุ่มด้วยแผ่นทองคำมีระาคาังแก้วระาคาังเงินผูกแขวนขายห้อยไวโดวยรอบยามพระพายเพือกพัดย่อมส่งเสียงไพเราะสนะโสด เหมือนเสียงดนตรีทิฟต์และเสียงขับร้องที่เป็นทิฟต์และได้วาดรูปเจ้าสิงห์หาพระหุอยู่4มีมุมมีรูปราชสีลอยู่สองฝากฝากละสามตัวรวมทั้งหมดมียี่สิบสตัวประดับด้วยแก้วเงินและทองคำและก่อเจดีย์ใหม่ตั้งรอบพระมหาเจดีย์ชั้นที่หนึ่งมีเจดีย์ร้อสิบสององค์ชั้นบนคือชั้นที่สองมีห9สิเก้าองค์รวมทั้งหมดร้อยแปดสิเอ็ดองค์ เฉพาะแต่พระเจดีย์ที่ก่อไว้ในบริเวณลานพระมห า, าธาตุมีสิบสององค์มีวิหารน้อยทั้งหมดสิบเก้าหลังประดับด้วยแก้วเงินและทองคำเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บริบูรณ์ด้วยเครื่องบูชาทั้งหลายเป็นต้นว่าฉัดทองคำทุงหรือทงแผ่นแก้วแผ่นเพชรแผ่นฝ้านาเทศมีสีสันขาวเขียว เหลืองแดงเทาแสดสร้างที่ตั้งประทีปโคงไฟไว้ระหว่างวิหารและพระมห า, าธาตุเจ้าดูไพโรดรุ่งเรืองงามควรแกการอ่อนน้อมเป็นที่อัศจรรย์เหมือนดังเทวโลกนั้นแหละอีกประการหนึ่งในทิศตะวันออกแห่งพระมห า, าธาตุนั้นประดับไปด้วยรูปต่างๆคือรูปตปุษสะพันลิกะหมอกมารพั พระอินทร์พระพรหมเทวดามาเหสักพระยาอุปราชพระราชเทวีและรูปเทวดาอารักษ์ขี่ช้างมา้าวัวควายรูปสัตว์สี่เท้าสองเท้าและสัตว์มีปีกมีหางทั้งหลายเป็นต้นว่ารูปกินรีนกกระเรียนนกออกนกยูงหงขาวเป็นต้นอยู่ระหว่างทิตะวันออกให้อยู่เฝ้ารักษาพระมหาเจดีย์ธาตุเจ้า จนตราบเท่าห้าพันวัฏสาก็มีแลเมื่อถึงเดือนสี่เดือนห้านั้นสนุกสนานปานดังจะลอยขึ้นสู่ฟ้าฟ้าเพราะเหตุว่าทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาทุกสารทิศเพื่อมานมัสการบูชาพระมห า, าธาตุเจ้าจึงดูไพโรธโชตนาการยิ่งด้วยเหตุนี้พระโบราณอาจารย์จึงผูกเป็นคาถาไว้ว่า สิงขุตเตเรมโนรัมเมกะกุสันโธสัทธาวาโหธรรมกรนังทะเปติเป็นต้นดังนี้รฤหัตและนักบวชทั้งหลายพึงจำเริญว่าคำไหว้นี้ไปบ่ยบอยๆย่อมจะได้สุขสามประการมีนิพพานเป็นที่สุดอย่างแน่นอนกล่าวเรื่องการอุบัติแห่งพระมหาเจดีย์ธาตุดอยสิงขุตระอันประเสริฐที่เมืองทันญวดีนครก็มีเพียงเท่านี้ ้าตุกะานิธิตากล่าวตำนานพระบาทพระธาตุทั้งหลายการที่สองจบแล้ว